ที่ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตสัตสตะครับแปลว่าูสัตตะแปลว่าผูกข้องยังติดยังข้องหายพายข้องเพียงเท่านั้นก็ทราบกันแล้วท่นนานปนนาวัยต่างหลายภพหลายภูมิรื่องนีตั้งแต่ภูมิ ือสถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นจึงเรียกมาจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรียกว่าเป็นนักต่อสู้ึ้นชื่อว่านักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกว่านักคือสู้ไม่ถอยพบภูมิต่างๆไปได้หมด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 พบเป็นนามนธรรมภูมิเป็นนามนธรรมก็มีเพราะฉนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันจงมากมายกายกองมันผัดมันเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเยเล ย, เล ย, เล ย, เลยมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเ น, นื้อ น, นี่แล้วเราจะหาที่เหยียบย่ำไปไม่ได้เลยเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเต็มไปด้วยพบด้ยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดเต็มไปหมด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 อคำไม่เห็นก็ว่าไม่มีไปโดนเอเกี้เนี่ยวัคซีนไม่มีน่ะไปโดนเอ า, เเานะโดนเอ า, เ, อาเหมือนเราไปเหยียบขวากเหยียบน้ําเหยียบอะไรนะั่นเราเข้าใจว่าไม่มีในะขนะที่เหยียบแต่แล้วก็น้ําที่เราว่าไม่มีนะั่นแหละมันปักเราเนี่เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าควรเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นต้องตัวเองแนหะแม้แต่น้ำจะหยาบมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนั่นะ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 แต่มันก็โดนเพราะมันมีนั่นมันมาอยู่ในความสําคัญของเรามันอยู่กับความจริงอันนี้่คือมันการเรื่องพบลงชาติเกิดถ้าเห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่นล้วเราจะพิเสธเราจะไปลบล้างอะไรอีกว่ามันไม่เกิดมันตายแล้วมันศูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันศูนเป็นจริงแล้วมันมาเกิดได้ยังไงนั่น มันไม่ศูนย์นะที่มันถึงมาเกิดให้เห็นอยู่เกิดให้เห็นตายเห็นอยู่นั่นแนหะมีด้วนนี้แต่สิงนะ่งไม่ศูนย์นั่นแหะมันจึงมีเกิดมีตายหเห็นดยู่ชัดๆเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพรพุทธเจ้าเราเชื่อเรามันเป็นไงความรู้ความเห็นของเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถ ไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้ศูนย์ไปตามความรู้สึกของตนทั้งๆ ท, ที่ตนไม่สามารถจะรู้แน่แต่ทำไมริงไปสามารถอาจเอื่มไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทำไมมันโง่สองชั้นสามชั้นเรายังจะว่าเราฉลาดอยู่หรเ อ, อแล้วมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องแม็นจำตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนาศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้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 ที่ันเป็นอย่างนี้มันจะมีเพียงปร์เซ็นเดียวหรือไม่ถึงประเซ็นกรรมาตถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วอเรานับข้อในจํานวนเปอร์เซนต์อันนี้แต่พ อ, ห ร, อ, พ อ, พอนนหรือไม่พอกันนับข้อในจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่ที่วันหนึ่งเปอร์เซนตหรือไม่พอเปอร์เซ็นต์นี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ ช, ชัดๆผานในจิตให้เพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่ อ, ห เ, อหเหตุให้ต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 แต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นด้วยตาเจอของแล้วเราจะปฏิเสธได้ไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบก็ลบเราสิอ้ควลูกตาเราออกเสียลูกตานี่มันโกหกฮะเราจะไปลบล้างอันนั้นว่าไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็น น, นั่นเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงถ้า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 ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดำเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสดีมงคลแก่เราพูดมุ่งหวังความพ้นทุกมุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆผู้ยนันจิตาภาวนา น, นั่นแหละเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดเจนธานาจันกิจมันกระเพื่อมทั้งวันจิตตลอดเวลา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 อ้าวคามาติดอะไรแล้วให้เป็นพบเป็นชาขึ้นมาตามความจิตตามความติดของใจเราเลยวันหนึ่งจะมีสักกี่ล้านอัตภาพให้ตัวของเราเองนะแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิดเป็นเพียงมาดิบอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเดือมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าสู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจะมีเพียงอัตภาพเดียวนี่นี่ละ่ะความจริงเป็นอย่างนี้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 ได้แก่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นจากจิแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดภายในตัวของเราเองกานเรียนจึงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำหนักลำหนักอันใดที่ควรต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรูดด้โดยสติปัญญาแล้วมันต่อยของมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามา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 ที่นี่กิจนี่ศูนย์ไหมนั่นซะ้ํากับอีกสิถึงเม่อยมีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตายะเกิดต่อไปอีกนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วกับกิดตรงนี้ที่นี่กิจ ด, ดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนย์ไหม น, นั่นอีกย้ำลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะ่นแล้วอะไรมาศูนย์ฮนี่แหละความจริงมันเป็นอย่างนีง้เราจะอะไรมาศูนย์มันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนอเด่นจนพูดไม่ถูกฮมันขัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจให้พาเกิดพาตายให้ภารักพาชังให้พายุ่งเหยีง่งวุ่นวายมากน้อยตามส่วนหนึ่งช่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดสิ้นไปแล้วอะไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วอะแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธิ์นี้สูญไปไหมที่นี่นานเอาตรงนี้อ่ะอาชัดๆอย่างนี้แล้วจะลบได้ไหมอะ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 ดวงนี้แหละหากว่าสูญใลจริงแล้วธรรมบทธรรมบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูญหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้หรือเนี่ยโลกคือหมูสัตว์หมูสัตว์ตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดอยู่ภายในจิตนี่เองท่านเรียกว่าหมูสัตว์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 ธรรมชาตินี่แหละคือวิวัตะหนาดกลับกันแล้วทีโลกคือมูสัตว์ก็พูดมาได้แล้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริสุทธิ์ที่นั้นฉั้นเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไวน้ยรืนี้ในธรรมท่านว่า สวัาขาตัวพระกวตาธรรมโมพระธรรมอัน พ, พระผู้ภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนานทางสิทธิชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องตน้นเป็นอาธิกนิยานังเนยไพระ่ะเพราะพียงเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งเบื้องตน้นมัชเชกนิยานังไพร่ะเพราะพีงเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งธรรมกลางไยโยนาไยโยสารนกักนิยานังไพร่ะในที่สุด คือทราบซึ่งเป็นไปด้วยเหตุโดยผลด้วยลลความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตําหนิตีเตียนพระธรรมที่จะไม่ชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าติเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก่น่าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฟืนหลักแห่งตัวขาธรรมอยู่ตลอดเวลาก็คือพวกเราผู้มีกิเลกกิเลสพังให้ฝืน เราเองใครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความพน้นทุกข์เหมือนกันจะไปฝืนยังไงฝืนความจริงของพระเจ้าแต่กิเลสมันพาให้ฝืนจะว่าไงทีนี้กิเลสมีอานาจมากกว่ามันก็ลากเราไปีคก็เลยกลายเป็นว่าเราฝืนทําไปเี่ยอืที่เมื่อเราฝืนทําแล้วเราก็ได้รับความทุกข์เกิดก็เป็นเราแก่ก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกยากลําบากแบบไหนแบบไหนเราเป็นคนรับซะทั้งหมดเราผู้ฝืนทําเนี่ยรับ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 ด้วยอำนาจของดดกิเลสพาให้ฝืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานชําระสาสางสิ่งที่มันพาให้ฝืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมทราบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆความทราบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือคดดกิเลสมันเบาบางลงไปแล้วเราจะมีความทราบซึ้งดื่มดำ่ำมีความพอใจ บ, บําเพ็ญศีลบาเพ็ญธรรมถ้ามีตัณฑ์กิเลสล้นล้นเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลยนี่นั่น ว, ว่าเรามีวาสนา เรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวาไปบําเพ็ญศีลเป็นเป็ น, นเพันทานบําเพ็ญภาวนามีชื่อว่าจี้เด็ดของเราเบาบางลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพออกพอใจมีความเกี่ยวความนมใจในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเราจี้เด็ดมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กัน าหากมีแต่เรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี่มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทำสนใจแต่เรื่องจะปีนเปียวกับความจริงความถูกต้องนิงามโดยถ่ายเยี่ยวจึงรับเขาตั้งแต่ความทุกข์ความลาบากมาแต่ตนไม่ว่าจะอยู่ภพใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติท่นมันนะไม่มีภาษามันเป็นแหล่ง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 ที่เป็นมานี้เป็นต่อการทั้งเรื่องที่ใ น, ในทั้งเรื่องชาระทั้งเรื่องแก้ไขต้องฝืนตรวกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อัดได้ทํามาจากพระพุทธเจา้าจากครูาอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสสู้ไม่ถอย ขึ้นชือว่าสู้แล้วมันจะต้องมีทีแรกเรายอมแบบหมอบราบเลยพราะไม่สู้ทีนี้ขั้นตอนมาเราสู้แม้จะมีแพ้บางก็าตามอ่าขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีคราวนี้แพ้เอากําลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาขิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยทีนี้ความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังดิทําไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอีกตรงนี้ ขึ้นชื่อว่าคําแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยซากอัตภาพนี้ให้ตายเะดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในกิจนี้ไม่ชนะให้ตายนั่นต่างสิเด็ดไหมจีดดวงเดียวนั่นแหละดวงที่อ่อนแออดวงที่ร้มลุกคุ้คลานนั่นแหละเวลาฟิตตัวขึ้นฟิตตัวขึ้นโดยอดโดยธรรมได้รับการสุกผลอบรมมีกาลังบังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ ได้รับพกป็ประจากษ์กับใจนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงขั้นที่ว่าให้ตายเสียดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลยสัตว์แพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งจีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้เขาต้องเสียใจแม้จะคํามาเล่นก็ตามมันยังเสียใจนี่เรื่องของมตรตตรงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสกับเราเป็นเรื่องความทุกข์กองทุกข์แท้ๆแล้วการแพ้สิ่งเหล่านี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาชิดเลย ไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้นไงจนกระทั่งชนะได้เป็นลําดับลําดับและไม่ให้มีคําว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยอ่านี่เป็นผู้ประเสริฐถ้าลงรัชชนะไปเลยแล้วทีนี่อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยล่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้น เกิดตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์นะลบมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่ฮะพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่านี้หมดภายในหัวใจความสงสัยสงสนัยอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรณ์เครื่องกั้นกลางกั้นกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทํามีหมดไป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 ให้ผ่านไปได้เท่ามีความดีไปไม่ได้เนะี่ยอยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทําไมถึงไปไม่ได้เพราะกําลังไม่พอที่จะไปถามว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเพรานั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รับความทุกความลําบากนี่เลยแม้แต่สัตว์เขาอย่างกลัวทําไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะไปแบกขามอยู่ทำไมทั้งที่รู้อยู่เนะี่ยอยากพ้นจากทุกข์อู่ทาไมไม่พ้นไปเสียถ้าว่าความอยากนั้นสาเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นไปได้เนะี่ย หิไม่ไขึ้นอยู่กับความอยากเป็นั่นขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราอยากไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไปมันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่อยากถึงที่นั่นถึ ง, งัถึงที่นุ่นนี่แล้วถึงจุดหมายปลายทางวิริยนั้นดุขมาจเตติหนัคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดับลํำดับพราะความเพียรพยายามนี่เป็นหลักใหญ่ นี่แหะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศาสดาของโลกเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิทธ์ตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงลูกตาเหล่ากอของพระพุทธเจ้าอแล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงเพระองค์พวงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังเนี่มันก็เข้ากันไม่ได้อเดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องก้าวหน้าไป จะชา้าหรือเร็วก็ตามขอ้อนความพยายามของเราเป็นไปตามตติดกําลังความขามาของเราอย่าลดละความเปลี่ยนเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนดําเนินตามครูวาสนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอานาจวาสนาะนักพอเราสร้างอยู่ทุกวันทุกเวลาทําไมจะไม่เป็นอานาจเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับสนุนดา ความจริงต้องเป็นเกี่ยวกับสนับสนุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับผลสุดท้ายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าที่แรกก็ยอมแพ้ไปก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้สู้สู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับเป็นไปแล้วต้งแพ้ต้งชนะสับเป็นไป ทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเข้ามาเขามีแต่ทีเราพ้นกิเลสหมอบเนอกจากหมอบลักห้าที่หายหมดไม่มีอะไรเหลืออฆ่ากิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความป้นทุกข์พ้นอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสซาดอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองมองมันซึ้งๆมันอยู่ในใจของเราเนี่ย มองเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ข่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่สิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ในที่อื่นใดขอให้พากันนําไปพิณิพิจรารณาบำเพ็ญคุณงามความดีหยาลดรุละความภาคความเพียรอันใดก็ตามขึ้นคือว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามศีลรักษาศีลก็ตามภาวนานก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเขาแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเรา